ติยวักมวดที่สองหนึ่งวิตกะสูตรว่าด้วยวิตกแท้จริงพระสูตรนี้พระผู้มีพระภาคตรัสไว้แล้วพระสูตรนี้พระอรหันต์กล่าวไว้แล้วข้าพเจ้าได้สดับมาอย่างนี้ภิกษุทั้งหลายวิตกสองประการคือเขมวิตกและวิเวกวิตตกย่อมแผ่ซ่านไปยังตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นอันมาก ตถาคตพอใจความไม่เบียดเบียนยินดีความไม่เบียดเบียนวิตกนั่นแลแพร่ซ่านไปยังตถาคตผู้พอใจความไม่เบียดเบียนยินดีในความไม่เบียดเบียนเป็นอันมากว่าเราจะไม่เบียดเบียนสัตว์ใดๆทั้งที่ยังมีจิตวาสะดุ้งหรือมีจิตมั่นคงด้วยการทำนี้ภิกษุทั้งหลายตถาคตพอใจความสงัดยินดีความสงัด วิตกนั่นแลแพร่ซ่านไปยังตถาคตผู้พอใจความสงัดยินดีความสงัดเป็นอันมากว่าสิ่งใดเป็นอกุศลสิ่งนั้นเราละได้แล้วเพราะเหตุดังกล่าวนั้นแม้เธอทั้งหลายก็จงพอใจความไม่เบียดเบียนยินดีความไม่เบียดเบียนอยู่เถิดเธอทั้งหลายซึ่งพอใจความไม่เบียดเบียนยินดีความไม่เบียดเบียนอยู่ วิตกนี้นั่นแลจะแผ่ซ่านไปเป็นอันมากว่าเราทั้งหลายจะไม่เบียดเบียนสัตว์ใดๆทั้งที่ยังมีจิตหวาสดุ้งหรือมีจิตมั่นคงด้วยการทํานี้ภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายจงพอใจความสงัดยินดีความสงัดอยู่เถิดเมื่อเธอทั้งหลายซึ่งพอใจความสงัดยินดีความสงัดวิตกนี้นั่นแลจะแผ่ซ่านไปเป็นอันมากว่าอะไรคืออกุศล อกุศลอะไรที่เราทั้งหลายยังละไม่ได้เราทั้งหลายจะละอกุศลอะไรพระผู้มีพระภาคได้ตรัสเนื้อความดังกล่าวมานี้แล้วในพระสูตรนั้นจึงตรัสคาถาประพันธ์ดังนี้ว่าวิตกสองประการคือเขมวิตกที่ทรงยกขึ้นแสดงเป็นข้อที่หนึ่งวิเวกวิตกที่ทรงประกาศเป็นข้อที่สอง ย่อมแผ่ซ่านไปยังตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ทรงพิชิตมารหมุนีผู้บรรเทาความมืดผู้ถึงฝั่งผู้แสวงหาคุณอันยิ่งใหญ่ผู้ถึงคุณอันพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทั้งหลายพึงถึงผู้มีความชำนาญผู้ไม่มีอาสวะผู้ข้ามวัตทุกันเป็นยาพิษผู้น้อมไปในธรรมเป็นที่สิ้นตันหาผู้ทรงไวซึ่งร่างกายสุดท้ายนั้นแล เรากล่าวว่าเป็นผู้ละมานเป็นผู้ถึงฝั่งแห่งชราบุรุษผู้มีตาดียืนอยู่บนยอดภูเขาสิลาล้วนพึงเห็นหมู่ชนได้โดยรอบแม้ฉันใดพระผู้มีพระภาคผู้มีพระปัญญาดีมีสมันตะจักขุหมดความโศกแล้วสเสด็จขึ้นสู่ปราสาทคือธรรมทรงพิจารณาเห็นหมู่ชนผู้ตกอยู่ในความเศร้าโศก และถูกชาติชราครอบงำได้ชัดเจนฉันนั้นแม้เนื้อความนี้พระผู้มีพระภาคก็ตรัสไว้แล้วข้าพเจ้าได้สดับมาอย่างนี้แลวิตรักสูตรที่หนึ่งจบสองเทศนาสูตรว่าด้วยธรรมเทศนาแท้จริงพระสูตรนี้พระผู้มีพระภาคตรัสไว้แล้วพระสูตรนี้พระอาหารหันต์กล่าวไว้แล้ว ข้าพเจ้าได้สรดับมาอย่างนี้ภิกษุทั้งหลายธรรมเทศนาของตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าว่าโดยปริยายมีสงประการธรรมเทศนาสงประการอะไรบ้างคือหนึ่งธรรมเทศนาว่าท่านทั้งหลายจงเห็นบาปว่าเป็นบาปนี้จัดเป็นธรรมเทศนาประการที่หนึ่ง 2. ธรรมเทศนาว่าท่านทั้งหลายครั้นเห็นบาปว่าเป็นบาปแล้ว จงเบื่อนายคลายกำหนัดปลดปลื้งตนให้พ้นจากบาปนั้นนี้จะเป็นธรรมเทศนาประการที่สองภิกษุทั้งหลายธรรมเทศนาของตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าว่าโดยปริยายมี2งประการนี้แหลพระผู้มีพระภาคได้ตรัสเนื้อความดังกล่าวมานี้แล้วในพระสูตรนั้นจึงตรัสคาถาประพันธ์ดังนี้ว่า เธอจงดูธรรมเทศนาสองประการที่ตถาคตพุทธเจ้าผู้ทรงอนุเคราะห์สัตว์ทุกหมู่เหล่าได้ทรงประกาศไว้แล้วโดยคำปริยายเธอทั้งหลายผู้ฉลาดจงพิจารณาเห็นบาปจงคลายความยินดีในบาปนั้นเธอทั้งหลายมีจิตคลายความยินดีในบาปนั้นแล้วจากทรรที่สุดแห่งทุก์ได้แม้เนื้อความนี้พระผู้มีพระภาคก็ตรัสไว้แล้วข้าพเจ้าได้สดับมาอย่างนี้แล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 ข้าพเจ้าได้สดับมาอย่างนี้ภิกษุทั้งหลายอาวิชาความไม่รู้เป็นหัวหน้าแห่งความถึงพร้อมแห่งอกุศลธรรมทั้งหลายอหิริกะความไม่อายบาปและอนโน ต, ตปะความไม่กลัวบาปเป็นไปตามภิกษุทั้งหลายส่วนวิชาความรู้เป็นหัวหน้าแห่งความถึงพร้อมแห่งกุศลธรรมทั้งหลายหิริความอายบาปและโอตปะความกลัวบาปเป็นไปตาม พระผู้มีพระภาคได้ตรัสเนื้อความดังกล่าวมา น, นี้แล้วในพระสูตรนั้นจึงตรัสคาถาประพันธ์ดังนี้ว่าทุกติยังใดอย่างหนึ่งในโลกนี้และในโลกอื่นทั้งหมดมีอวิชชาเป็นมูลเหตุเกิดขึ้นด้วยความปรารถนาและความโลภอันหนึ่งเพราะมีอวิชชาเป็นมูลเหตุคนจึงมีความปรารถนาชั่วไม่มีหิริไม่มีความเอื้อเฟื้อเขาประสบบาปอยู่เสมอ เพราะบาปนั้นเขาต้องไปเกิดในอบายแน่นอนเพราะฉะนั้นภิกษุเมื่อละฉันทะโลภะและอวิชชาได้ทำวิชาให้เกิดขึ้นจึงละทุกติทั้งปวงได้แม้เนื้อความนี้พระผู้มีพระภาคก็ตรัสไว้แล้วข้าพเจ้าได้สะดับมาอย่างนี้แหละวิชาสูตรที่สามจบ 4. ปัญญาปริหินสูตรว่าด้วย สัตว์ที่เสื่อมจากปัญญาแท้จริงพระสูตรนี้พระผู้มีพระภาคตรัสไว้แล้วพระสูตรนี้พระอรหันต์กล่าวไว้แล้วข้าพเจ้าได้สดับมาอย่างนี้ภิกษุทั้งหลายสัตว์ทั้งหลายที่เสื่อมจากอริยะปัญญาชื่อว่าเสื่อมถึงที่สุดสัตว์เหล่านั้นย่อมอยู่เป็นทุกข์คาบแค้นอึดอัดเร่าร้อนในปัจจุบันหลังจากตายแล้วพึงหวังได้ทุกติ ภิกษุทั้งหลายสัตว์ทั้งหลายที่ไม่เสื่อมจากอริยะปัญญาชื่อว่าไม่เสื่อมสัตว์เหล่านั้นย่อมอยู่เป็นสุขไม่คับแค้นไม่อึดอัดไม่เร่าร้อนในปัจจุบันหลังจากตายแล้วพึงวังได้สุคติพระผู้มีพระภาคได้ตรัสเนื้อความดังกล่าวมานี้แล้วในพระสูตรนั้นจึงตรัสคาถาประพันธ์ดังนี้ว่าท่านจงดูชาวโลกพร้อมทั้งเทวโลกที่ยึดมั่นในนามรูป เข้าใจว่านี้เท่านั้นจริงเพราะเสื่อมจากปัญญาปัญญาที่เป็นเหตุให้ถึงความทาลายกิเลสและปัญญาที่รู้ชัดความสิ้นไปแห่งชาติและพบโดยชอบเป็นปัญญาที่ประเสริฐในโลกเทวดาและมนุษย์ย่อมรักปรารถนาดีต่อพระสัมพุทธเจ้าทุกพระองค์ผู้มีพระสติภัยบูรณ์มีพระปัญญาผ่องใสมีพระสุริระเป็นร่างกายสุดท้าย แม้เนื้อความนี้พระผู้มีพระภาคก็ตรัสไว้แล้วข้าพเจ้าได้สะดับมาอย่างนี้แลปัญญาปริหินสูตรที่สี่จบหสุขธรรมสูตรว่าด้วย ทำฝ่ายขาวแท้จริงพระสูตรนี้พระผู้มีพระภาคตรัสไว้แล้วพระสูตรนี้พระอรหันต์กล่าวไว้แล้วข้าพเจ้าได้สดับมาอย่างนี้ภิกษุทั้งหลายสุขธรรมสองประการนี้ย่อมคุ้มครองโลกสุขธรรมสองประการอะไรบ้างคือหนึ่งหิริสองโอตตะปะถ้าสุขธรรมสองประการนี้ไม่คุ้มครองโลก ในมนุษย์โลกนี้ก็จะไม่ปรากฏให้รู้ว่าหญิงนี้เป็นมารดาหญิงนี้เป็นนาหญิงนี้เป็นป้าหญิงนี้เป็นพันยาของอาจารย์หรือหญิงนี้เป็นพันยาของครูมนุษย์โลกก็จะประพฤติซ้ำสอนกันไปหมดเหมือนอย่างพวกแพะแกะไก่สุกรสุนักและสุนักจิ้งจอกฉนั้นภิกษุทั้งหลาย ก็เพราะเหตุที่สุกธรรมสองประการนี้ยังคุ้มครองโลกอยู่ฉะนั้นจึงยังปรากฏให้รู้ว่าหญิงนี้เป็นมารดาหญิงนี้เป็นนาหญิงนี้เป็นป้าหญิงนี้เป็นพรนยาของอาจารย์หรือหญิงนี้เป็นพรนยาของครูพระผู้มีพระภาคได้ตรัสเนื้อความดังกล่าวมานี้แล้วในพระสูตรนั้นจึงตรัสคาถาประพันธ์ดังนี้ว่าหากสัตว์เหล่าใดไม่มีหิริโอตปะในการทุกเมื่อ สัตว์เหล่านั้นก็ชื่อว่าปราศจากสุขธรรมเป็นผู้เข้าถึงชาติและมรณะส่วนสัตว์เหล่าใดเข้าไปตั้งหิริและอตปะไว้โดยชอบสัตว์เหล่านั้นมีพรหมจรรย์งอกงามสงบมีพบใหม่สิ้นไปแล้วแม้เนื้อความนี้พระผู้มีพระภาคก็ตรัสไว้แล้วข้าพเจ้าได้สดับมาอย่างนี้แลสุขธรรมมสรที่ห้าจบห มาชาตสูตรว่าด้วยธรรมชาติที่ไม่เกิดแท้จริงพระสูตรนี้พระผู้มีพระภาคตรัสไว้แล้วพระสูตรนี้พระอรหันต์กล่าวไว้แล้วข้าพเจ้าได้สดับมาอย่างนี้ภิกษุทั้งหลายธรรมชาติที่ไม่เกิดไม่ปรากฏอันปัจจัยไม่ธรรมอันปัจจัยไม่ปรุงแต่งมีอยู่จริงภิกษุทั้งหลายหากธรรมชาติที่ไม่เกิดไม่ปรากฏอันปัจจัยไม่ธรรม อันปัจจัยไม่ปรุงแต่งจะไม่มีอยู่จริงไซในโลกนี้ก no ็จะ <Assim, S 2> ไม่ปรากฏภาวะที่สลัดออกจากธรรมชาติที่เกิดที่ปรากฏอันปัจจัยทำอันปัจจัยปรุงแต่งได้เลยภิกษุทั้งหลายก็เพราะธรรมชาติที่ไม่เกิดไม่ปรากฏอันปัจจัยไม่ทำอันปัจจัยไม่ปรุงแต่งมีอยู่จริงฉะนั้นจึงปรากฏภาวะที่สลัดออกจากธรรมชาติที่เกิดที่ปรากฏ อันปั จ, จัยทำอันปัจจัยปรุงแต่งพระผู้มีพระภาคได้ตรัสเนื้อความดังกล่าวมานี้แล้วในพระสูตรนั้นจึงตรัสคาถาประพันธ์ดังนี้ว่าธรรมชาติที่เกิดที่ปรากฏที่เกิดขึ้นพร้อมแล้วอันปัจจัยทำรรอันปั จ, จัจปรุงแต่งไม่ยั่งยืนระคนด้วยชราและมรณะเป็นรังแห่งโรคมีความเสื่อมโทรมเป็นปกติมีอาหารและตัหาเป็นแดนเกิด บุคคลจึงไม่ควรยินดีธรรมชาติดังกล่าวนั้นความสลัดออกจากธรรมชาติดังกล่าวนั้นได้เป็นความสงบมิใช่วิสัยแห่งการาคาดคะเนเป็นภาวะที่ยั่งยืนธรรมชาติที่ไม่เกิดที่ไม่เกิดขึ้นพร้อมแล้วไม่มีความโศกปราศจากทุลีคือกิเลสเป็นภาวะควรเข้าถึงแท้จริงความดับแห่งธรรมชาติที่เป็นทุกข์ทั้งหลาย คือความสงบระ ง, งับแห่งสังขารเป็นความสุขแม้เนื้อความนี้พระผู้มีพระภาคก็ตรัสไว้แล้วข้าพเจ้าได้สดับมาอย่างนี้แลอาชาตสูตรที่หจบ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 อนุปาทิเสสนิพานธาตุสอุปาทิเสสนิพานธาตุเป็นอย่างไรภิกษุในธรรมวินัยนี้เป็นพระอาหารหันตขีนาศอยู่จบพรหมจรรย์แล้วทำกิจ ท, ที่ควรทำเสร็จแล้วปรงภาระได้แล้วบรรลุประโยชน์ตนโดยลำดับแล้วสิ้นภาวะสังโยชน์แล้วหลุดพ้นแล้วเพราะรู้ชอบเพราะอินทรีย์ห้าที่ยังคงอยู่ไม่ดับไปภิกษุนั้น จึงประสบอิทธารมและอนิธารมสวัสวยสุขและทุกข์อยู่ภิกษุทั้งหลายความสิ้นราคะความสิ้นโทสะความสิ้นโมหะของภิกษุนั้นเราเรียกว่าสุปาทิเสสนิพานธาตุอนุปาทิเสสนิพานธาตุเป็นอย่างไรภิกษุในธรรมวินัยนี้เป็นพระอรหันตขีนาศอยู่จบพรหมจรรย์แล้วทำกิจที่ควรทำเสร็จแล้ว ปรงภาระได้แล้วบรรลุประโยชน์ตนโดยลำดับแล้วสิ้นภาวะสังโยชน์แล้วหลุดพน้นแล้วเพราะรู้ชอบภิกษุทั้งหลายเวทนาทั้งปวงในอัตภาพนี้นั่นแลของภิกษุนั้นอันตันหาเป็นต้นให้เพลิดเพลินไม่ได้ต่อไปแล้วจกระ ง, งับดับสนิทภิกษุทั้งหลายสภาวะดังกล่าวนี้เราเรียกว่าอนุปาทิเสสนิพานธาตุ ภิกษุทั้งหลายนิพพานธาตุสองประการนี้แลพระผู้มีพระภาคได้ตรัสเนื้อความดังกล่าวมานี้แล้วในพระสูตรนั้นจึงตรัสคาถาประพันธ์ดังนี้ว่าตถาคตผู้มีพระจักษุไม่ทรงอิงอาศัยสิ่งใดๆผู้คงที่ทรงประกาศนิพพานธาตุไว้สองประการนี้คือนิพพานธาตุประการหนึ่งเป็นสภาวะมีให้เห็นในอัตภาพนี้ ชื่อว่าสอพปาทิเสสนิพานธาตุเพราะความสิ้นไปแห่งตันหาที่นำไปสู่พบส่วนนิพานธาตุอีกประการหนึ่งเป็นสภาวะมีในภายภาคหน้าชื่อว่าอนุปาทิเสสนิพานธาตุเป็นที่ดับสนิทแห่งพบทั้งหลายได้โดยสิ้นเชิงชนทั้งหลายผู้รู้ที่ไม่ถูกปัจจัยปรุงแต่งนี้แล้วมีจิตหลุดพ้นเพราะความสิ้นไปแห่งภาวะเนติ ยินดียิ่งในธรรมเป็นที่สิ้นไปแห่งกิเลสเพราะบรรลุธรรมเป็นสาระเป็นผู้คงที่และพบทั้งปวงได้แม้เนื้อความนี้พระผู้มีพระภาคก็ตรัสไว้แล้วข้าพเจ้าได้สดับมาอย่างนี้แลนิพพานธาตุสูตรที่เจ็ดจบ ปติสันลานสูตรว่าด้วยการหลีกเร้นแท้จริงพระสูตรนี้พระผู้มีพระภาคตรัสไว้แล้วพระสูตรนี้พระอรหันต์กล่าวไว้แล้วข้าพเจ้าได้สดับมาอย่างนี้ภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายจงเป็นผู้พอใจในการหลีกเร้นยินดีในการหลีกเร้นมันประกอบความสงบแห่งจิตภายในไม่ห่างจากฌานประกอบด้วยวิปัสสนา เพิ่มพูมเรือนว่างเถิดภิกษุทั้งหลายเมื่อเธอทั้งหลายพอใจในการหลีกเร้นยินดีในการหลีกเร้นมันประกอบความสงบแผงจิตภายในไม่ห่างจากฌานประกอบด้วยวิปัสสนาเพิ่มภูมเรือนว่างอยู่พึงหวังได้ผลอย่างหนึ่งในสองอย่างคือรหัตผลในปัจจุบันหรือเมื่อยังมีอุปทานเหลืออยู่ก็จะเป็นอนาคามี พระผู้มีพระภาคได้ตรัสเนื้อความดังกล่าวมานี้แล้วในพระสูตรนั้นจึงตรัสคถาพระพันธ์ดังนี้ว่าชนทั้งหลายมีจิตสงบแล้วมีปัญญารักษาตนมีสติเพ่งพินิจอยู่ไม่ใยดีในกามทั้งหลายย่อมเห็นแจ้งธรรมโดยชอบเป็นผู้ยินดีในความไม่ประมาทมีปกติเห็นภัยในความประมาทเป็นผู้ไม่ควรเสื่อมดำรงอยู่ใกล้นิพพานทีเดียว แม่เนื้อความนี้พระผู้มีพระภาคก็ตรัสไว้แล้วเขาพระเจ้าได้สดับมาอย่างนี้แลปฏิสันลาณสูตรที่แปดจบเก้สิกานิสังสสูตรว่าด้วยผู้มีสิกขาเป็นอนิสงแท้จริงพระสูตรนี้พระผู้มีพระภาคตรัสไว้แล้วพระสูตรนี้พระอรหันต์กล่าวไว้แล้วเขาพระเจ้าได้สดับมาอย่างนี้ ภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายจงเป็นผู้มีสิกขาเป็นอาเสงมีปัญญาเป็นเยี่ยมมีวิมุตติเป็นแก่นสารมีสติเป็นใหญ่อยู่เธอภิกษุทั้งหลายเมื่อเธอทั้งหลายเป็นผู้มีสิกขาเป็นอาเนสงมีปัญญาเป็นเยี่ยมมีวิมุตติเป็นแก่นสารมีสติเป็นใหญ่อยู่พึงหวังได้ผลอย่างหนึ่งในสองอย่างคืออรหัตผลในปัจจุบัน หรือเมื่อยังมีอุปทานเหลืออยู่ก็จะเป็นอนาคามีพระผู้มีพระภาคได้ตรัสเนื้อความดังกล่าวมา น, นี้แล้วในพระสูตรนั้นจึงตรัสคาถาประพันธ์ดังนี้ว่าเราเรียบมุนีผู้มีศีขาบริบูรณ์ไม่มีธรรมที่ต้องละมีปัญญาเป็นเยี่ยมมีปกติเห็นที่สุดคือภาวะที่สิ้นสุดแห่งชาติทรงไว้ซึ่งร่างกายสุดท้ายนั้นแลวว่าเป็นผู้ละมาน เป็นผู้ถึงฝั่งแห่งชราเพราะฉะนั้นเธอทั้งหลายจงเป็นผู้ยินดีในฌานเป็นผู้มีจิตตั้งมั่นทุกเมื่อมีความเพียรมีปกติเห็นที่สุดคือภาวะที่สิ้นสุดแห่งชาติครอบงำมารพร้อมทั้งเสนามารได้เป็นผู้ถึงฝั่งแห่งชาติและมรณะได้แม้เนื้อความนี้พระผู้มีพระภาคก็ตรัสไว้แล้วเขาพะเจ้าได้สดับมาอย่างนี้แล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 มีจิตตั้งมั่น<ส>เบิกบานผ่ <both> องใสและควรเป็นผู้เห็นแจ้งสมควรแก่การในกุศลธรรมทั้งหลายในการประกอบหนึ่งเนื่งซึ่งกรรมฐานนั้นภิกษุทั้งหลายเมื่อภิกษุเป็นผู้เตือนอยู่อย่างมีสติมีสัพพัญญะมีจิตตั้งมั่นเบิกบานผ่องใสและเป็นผู้เห็นแจ้งสมควรแก่การในกุศลธรรมทั้งหลายในการประกอบกรรมฐานนั้นอยู่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 เพราะภัยย่อมไม่มีแก่ผู้เตือนอยู่ผู้ที่เตืนอยู่มีสติสัมปชัญญะมีจิตตั้งมั่นเบิกบานผ่องใสพิจารณาธรรมโดยชอบตามการที่เหมาะสมมีสมาธิเป็นธรรมผุดขึ้นพึงกำจัดความมืดได้เพราะฉะนั้นแลภิกษุควรประพฤติธรรมเป็นเหตุให้ตื่นมีความเพียรมีปัญญารักษาตนมีปกติได้ฌาน ตัดสังโยชน์ในชาติและชราได้แล้วก็จะบรรลุสัำโพธิญาณอันยอดเยี่ยมในอัตภาพนี้แน่นอนแม้เนื้อความนี้พระผู้มีพระภาคก็ตรัสไว้แล้วข้าพเจ้าได้สะดับมาอย่างนี้แลชาคิริยสูตรที่สิบจบ สิอาปายยึกกสูตรว่าด้วยคนผู้จะเกิดในอบายแท้จริงพระสูตรนี้พระผู้มีพระภาคตรัสไว้แล้วพระสูตรนี้พระอรหันต์กล่าวไว้แล้วเขาพระเจ้าได้สดับมาอย่างนี้ภิกษุทั้งหลายคนสงจำพวกนี้จะเกิดในอบายจะเกิดในนรกเพราะไม่ละความประพฤติชั่วนี้คนสองจำพวกไหนบ้างคือหนึ่ง คนที่ไม่ประพฤติพรหมจรรย์แต่ปฏิญญาว่าประพฤติพรหมจรรย์ 2. คนที่ชอบโจดผู้ประพฤติพรหมจรรย์อย่างบริสุทธิ์บริบูรณ์ด้วยอพรหมจรรย์อันไม่มีมูลภิกษุทั้งหลายคนสงจำพวกนี้แลจะเกิดในอบายจะเกิดในนรกเพราะไม่ละความประพฤติชั่วนี้พระผู้มีพระภาคได้ตรัสเนื้อความดังกล่าวมานี้แล้วในพระสูตรนั้นจึงตรัสคาถาประพันธ์ดังนี้ว่า คนที่ชอบกล่าวคำไม่จริงหรือคนที่ทำความชั่วแล้วกล่าวว่าฉันไม่ได้ทำต่างก็ตกนรกคนสองจำพวกนั้นต่างก็มีกรรมชั่วตายไปแล้วมีคติเท่าเทียมกันในโลกหน้าภิกษุชั่วจำนวนมากมีผ้ากาสาวะพันที่คอมีทำเลวสามไม่สำรวมย่อมตกนรกเพราะบาปกรรมทั้งหลายการกลืนกินก้อนเหล็กแดงที่ร้อนดุจเปลวเพลิง ยังดีกว่าการที่ภิกษุผู้ทุศีลไม่สารวมบริโภคอาหารที่ชาวบ้านเขาถวายแม้เนื้อความนี้พระผู้มีพระภาคก็ตรัสไว้แล้วข้าพเจ้าได้สะดับมาอย่างนี้แลอาปายยกสูที่11อจบ สิสองทิฏฐิขตสูตรว่าด้วยทิฏฐิแท้จริงพระสูตรนี้พระผู้มีพระภาคตรัสไว้แล้วพระสูตรนี้พระอรหันต์กล่าวไว้แล้วข้าพเจ้าได้สดับมาอย่างนี้ภิกษุทั้งหลายเทวดาและมนุษย์ต่างก็ถูกทิฏฐิสองอย่างครอบงำคือเทวดาและมนุษย์พวกหนึ่งยึดติดอยู่เทวดาและมนุษย์พวกหนึ่งแล่นเลยไป ส่วนเทวดาและมนุษย์ผู้มีปัญญาจากสุย่อมเห็นตามความเป็นจริงเทวดาและมนุษย์พวกหนึ่งยึดติดอยู่เป็นอย่างไรคือเทวดาและมนุษย์พอใจยินดีเพลิดเพลิน อ, อ, อยู่ในภพเมื่อตถาคตสแสดงธรรมเพื่อความดับแห่งภพจิตของเทวดาและมนุษย์นั้นย่อมไม่ยอมรับไม่เลื่อมใสไม่ตั้งมั่นไม่น้อมใจเชื่อเทวดาและมนุษย์พวกหนึ่งยึดติดอยู่เป็นอย่างนี้แล เทวดาและมนุษย์พวกหนึ่งแล่นเลยไปเป็นอย่างไรคือเทวดาและมนุษย์อึดอัดระอารังเกียจไม่ยินดีพบนั่นแลจึงหลงเพลิดเพลินความขาดศูนย์โดยทํานองว่าท่านทั้งหลายทราบว่าอัตตาของเรานี้เมื่อตายไปย่อมขาดศูนย์พินาศไปหลังจากตายแล้วจะไม่ต้องกลับมาเกิดอีกชื่อว่าเป็นธรรมชาติสงบประณีทองแท้ เทวดาและมนุษย์พวกหนึ่งแล่นเลยไปเป็นอย่างนี้แลเทวดาและมนุษย์ผู้มีปัญญาจากสุย่อมเห็นตามความเป็นจริงเป็นอย่างไรเคอภิกษุในธรรมวินัยนี้ย่อมพิจารณาเห็นสิ่งที่มีอยู่เป็นอยู่โดยสภาวะแท้จริงครั้นเห็นเช่นนั้นแล้วก็ปฏิบัติเพื่อความเบื่อหน่ายเพื่อคลายกำหนัดเพื่อความดับสิ่งที่เป็นจริงโดยความเป็นจริงนั้น เทวดาและมนุษย์ผู้มีปัญญาจากสุย่อมเห็นตามความเป็นจริงเป็นอย่างนี้แลพระผู้มีพระภาคได้ตรัสเนื้อความดังกล่ามานี้แล้วในพระสูตรนั้นจึงตรัสคาถาประพันธ์ดังนี้ว่าอริยสาวกพิจารณาเห็นขันห้าที่เกิดแล้วตามความเป็นจริงและทาเป็นเครื่องก้าวล่วงขันห้าที่เกิดแล้วย่อมน้อมจิตไปในนิพพานตามความเป็นจริง เพราะความสิ้นไปแห่งภาวะตันหาถ้าอรีย์สาวกผู้กำหนดรู้ขันห้าที่เกิดแล้วปราศจากตันหาในภพน้อยและใหญ่ไซชื่อว่าภิกษุย่อมไม่กลับมาสู่ภพอีกเพราะขันห้าเกิดขึ้นไม่ได้อีกต่อไปแม้เนื้อความนี้พระผู้มีพระภาคก็ตรัสไว้แล้วเขาพระเจ้าได้สดับมาอย่างนี้แลทิฐิกะตะสูตรที่12จบ ทุติยวักจบรวมพระสูตรที่มีในวักนี้คือ 1. วิตกะสูตร 2. เทสนาสูตร 3. วิชาสูตร 4. ปัญญาปริหินสูตร 5. สุขธรรมะสูตร 6. อาชาตสูตร 7. นิพานธาตุสูตร 8. ปฏิสันลานสูตร 9. สิคานิสังสสูตร 10. ชาคิริยสูตร 11. อ, อาปายิกะสูตร 12. ทิทิขตะสูตรในทุกกนิบาตแห่งอิติวุตกะนี้ท่านพระเถระผู้ทำปฐมสังคายนาประกาศพระสูตรไว้22สูตรคือในปฐมวักส10สูตรและในทุติยวักนี้12สูตรดังกล่าวมาชะนี้แลทุกกนิบาตจบ สติกนิบาตหนึ่งปฐมมาวคหมวดที่หนึ่งหนึ่งมู ล, ลสูตรว่าด้วยอกุศลลมูลแท้จริงพระสูตรนี้พระผู้มีพระภาคตรัสไว้แล้วพระสูตรนี้พระอรหันต์กล่าวไว้แล้วข้าพเจ้าได้สดับมาอย่างนี้ภิกษุทั้งหลายอากุศลลมูลสามประการนี้อกุศลลมูลสามประการอะไรบ้างคือ หอกุศโสมูลคือโลภะความอยากได้ 2. อกอคุสโมูลคือโทสะความคิดประทุสร้าย 3. อกุศโสมูลคือโมหะความหลงภิกษุทั้งหลายอากุศโสมูลสามประการนี้แหลพระผู้มีพระภาคได้ตรัสเนื้อความดังกล่าวมานี้แล้วในพระสูตรนั้นจึงตรัสคาถาประพันธ์ดังนี้ว่าโลภะโทสะและโมหะที่เกิดภายในตน ย่อมทำร้ายบุรุษผู้มีจิตเลวซามเหมือนขุยไผ่กำจัดต้นไผ่ฉะนั้นแม้เนื้อความนี้พระผู้มีพระภาคก็ตรัสไว้แล้วข้าพเจ้าได้สดับมาอย่างนี้แลมูลสูตรที่หนึ่งจบสองท่าตุสูตรว่าด้วยท่าแท้จริงพระสูตรนี้พระผู้มีพระภาคตรัสไว้แล้วพระสูตรนี้พระอรหันต์กล่าวไว้แล ข้าพเจ้าได้สดับมาอย่างนี้ภิกษุทั้งหลายท่าสามประการนี้ท่าสามประการอะไรบ้างคือ 1. นึ่งรูปธาตุสอรูปธาตุสนิโรธาตุภิกษุทั้งหลายท่าสามประการนี้แหลพระผู้มีพระภาคได้ตรัสเนื้อความดังกล่าวมานี้แล้วในพระสูตรนั้นจึงตรัสคาถาประพันธ์ดังนี้ว่า สัตว์เหล่าใดกำหนดรู้รูปธาตุได้แล้วไม่ติดอยู่ในอรูปธาตุน้อมจิตไปในนิโรธาธาตุสัตว์เหล่านั้นย่อมล่วงพ้นมะจุราชไปได้พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงสัมผัสอมตะธาตุที่ไร้อุปธิด้วยนามกายทรงรู้แจ้งประจักษ์ถึงเหตุแห่งความสลัดคขนอุปธิผู้หาอาสวะมิได้ทรงแสดงบทที่ไม่มีความโศกปราศจากทุลีไว้ แม้เนื้อความนี้พระผู้มีพระภาคก็ตรัสไว้แล้วเขาพระเจ้าได้สดับมาอย่างนี้แลถ้าตุสูตรที่สองจบสมปฐมเวทนาสูตรว่าด้วยเวทนาสูตรที่หนึ่งแท้จริงพระสูตรนี้พระผู้มีพระภาคตรัสไว้แล้วพระสูตรนี้พระอรหันต์กล่าวไว้แล้เขาพระเจ้าได้สดับมาอย่างนี้ภิกษุทั้งหลาย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 จึงตรัสคาถาประพันธ์ดังนี้ว่าสาวกของพระพุทธเจ้าผู้มีจิตตั้งมั่นมีสติสัมปชัญญะอยู่เสมอย่อมรู้ชัดเวทนาเหตุเกิดเวทนา น, านิพพานอันเป็นที่ดับเวทนาและข้อปฏิบัติที่ให้ถึงความดับเวทนาเพราะสิ้นเวทนาทั้งหลายภิกษุจึงเป็นผู้หมดความหิวปรินิพพานแล้ว แม้เนื้อความนี้พระผู้มีพระภาคก็ตรัสไว้แล้วข้าพเจ้าได้สดับมาอย่างนี้แลปฐมเวทนาสูตรที่สจบ 4. ทุติยเวทนาสูตร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 ภิกษุพึงเห็นสุขเวทนาโดยความเป็นทุกข์พึงเห็นทุกขเวทนาโดยความเป็นดุจลูกสอนพึงเห็นอทุกขมสุขเวทนาโดยความไม่เที่ยงภิกษุทั้งหลายเพราะภิกษุเห็นสุขเวทนาโดยความเป็นทุกข์เห็นทุกขเวทนาโดยความเป็นดุจลูกสอนเห็นอทุกขมสุขเวทนาโดยความไม่เที่ยงได้ภิกษุนีเ้เราเรียกว่าเป็นอริยมีความเห็นชอบ ตัดตันหาได้เพิกถอนสังโยชน์ได้แล้วได้ทำที่สุดแห่งทุกข์เพราะรู้แจ้งมานะได้โดยชอบพระผู้มีพระภาคได้ตรัสเนื้อความดังกล่าวมานี้แล้วในพระสูตรนั้นจึงตรัสคาถาประพันธ์ดังนี้ว่าภิกษุใดเห็นสุขเวทนาโดยความเป็นทุกข์เห็นทุกขเวทนาโดยความเป็นดุจลูกศรเห็นอนทุกขมสุขเวทนาที่มีอยู่โดยความไม่เที่ยง ภิกษุนั่นแหละเป็นผู้มีความเห็นชอบเพราะเหตุที่หลุดพ้นได้เด็ดขาดในเวทนานั้นจึงชื่อว่าสำเร็จอภิญยาหกประการเป็นผู้สงบล่วงพ้นโยคะได้แล้วเป็นมุนีแท้จริงแม้เนื้อความนี้พระผู้มีพระภาคก็ตรัสไว้แล้วข้าพเจ้าได้สะดับมาอย่างนี้แลทุติยเวทนาสูตรที่สจบห้า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 และข้อปฏิบัติที่ให้ถึงความสิ้นสุดการสแสวงหาเพราะสิ้นการสแสวงหาทั้งหลายภิกษุจึงเป็นผู้หมดความหิวปรินิพานแล้วแม้เนื้อความนี้พระผู้มีพระภาคก็ตรัสไว้แล้วข้าพเจ้าได้สดับมาอย่างนี้แลปทมมะเอสนาสูตรที่หจบ 6. ทุติยะเอสนาสูตรว่าด้วยการสแสวงหาสูตรที่สอง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 การสแสวงหาสามประการนี้แหลพระผู้มีพระภาคได้ตรัสเนื้อความดังกล่าวมานี้แล้วในพระสูตรนั้นจึงตรัสคาถาประพันธ์ดังนี้ว่าการสแสวงหากามการสแสวงหาพบและการสแสวงหาพรหมจรรย์คือการยึดถือว่าอย่างนี้จริงอันเป็นทิฏฐิฐานภิกษุผู้คลายกำหนัดได้ทั้งหมดหลุดพ้นเพราะสิ้นตันหา ชื่อว่าสละคืนการสแสวงหากามและพบพร้อมทั้งถอนทิฏฐิฐานได้เพราะสิ้นการสแสวงหาทั้งหลายภิกษุจึงเป็นผู้ไม่หวังและหมดความสงสัยโดยสิ้นเชิงแม้เนื้อความนี้พระผู้มีพระภาคก็ตรัสไว้แล้วข้าพเจ้าได้สดับมาอย่างนี้แลทุติยะเอสนาสูที่หจบ